ขันฟังที่ครบค่ะและนั่นก็คือพระมาร์ชชาคาวโรนะคะแห่งวัดอ่างปะพงลำลุกกาคลองสิบซึ่งตอนนี้ก็แช่น้ำอยู่กระถินวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดปุ๊บนี่พื้นลานวัดนี่ก็กลายเป็นลานน้ำไปเลยนะคะวันก่อนที่ฉันได้มีโอกาสเข้าไปนำ้ำมัสการพระคุณเจ้าก็ได้พบว่าพระสงฆ์นี่กำลังสารวนกับการที่จะ ทำอย่างไรที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางน้ำที่โอบล้อมต้องมีการขยับไฟฟ้าขึ้นไปให้เหนือน้ำเพื่อที่ได้ไม่เกิดปัญหาต้องหาเครื่องกรองน้ำนะคะมาใหม่เพราะว่าเครื่องกรองน้ำเดินจมใต้น้ำอะไรแบบนี้แต่ว่าก็เป็นการปรับตัวนะคะที่แม้กระทั่งพระสงฆ์ ก็ยังต้องพบเจอเลยในยามที่ภยัยมันมาไม่เลือกเลยนะคะว่าใครที่ควรจะยกเว้นบ้างค่ะตอนที่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งในรายการนะคะพระภัย บ, บูณอภิปุณโนท่านผู้อำนวกยการหลักสูตรหลีเร้นอยู่ที่วัดป่าดอนหายโสจังหวัดอุดรธา น, นีค่ะน้มสักการะท่านค่ะเชิญานดิฉันพูดตาแหน่งท่านอย่างนี้ ของที่วัดนู้นถูกไหมคะเออคือหน้าที่ก็คือว่าดูแลหลักสูตรการกเรียนรนั้นนะหลวงพ่อ ก, ก็เลยมีตําแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ออปฏิบัติธรรมเพราะว่าวันนั้นที่ดิฉันไปแล้วท่านก็เมตตาให้ดิฉันได้มีโอกาสเป็นโฆศกงานากระถิ่นเนี่ยจําได้ว่าได้ยินหลวงพ่อท่านได้พูดว่าเนี่ยผู้อำนวยการหลักสูตรอา่าก็เป็นเป็นดูแลเขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัด ส่วนวัฒนธรมของวัดนี่ก็มีกิจกรรมคือการดิกรนปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีศูนย์ก็เรียกว่าอะไศูนย์ที่พักพิงศูนย์พักพิงของผู้ประสบโรคภัยก็คงไม่พ้อนอัลมาเป็นผู้ดูแลศูนย์อีกใช่ไหมคะคือไหนไหนท่านก็ได้เอ่ยขึ้นมาแล้วดิฉันคิดว่าลงรายละเอียดตรงนี้กันเลยดีกว่าว่าผู้ที่สนใจจะไปพักพิงนะคะอบพยพไป ที่วัดเนี่ยจะไปได้อย่างไรค่ะอ๋อก็เดินทางมาที่อุดรธานีใช่ไหมจากจังหวัดอุดรธานีก็เลี้ยวไปทางสกลนครกิโลเมตรที่สิบแปดก็เลี้ยวซาย้ายก็มามีป้ายอยู่ที่ถนนใหญ่อยู่แล้วก็ตามป้ายมาตลอดเลยจากอุดรธานีมาถึงตัววัดนี้ก็ประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลก็ขับรถประมาณสามสิบนาทีเท่านั้นแหล ะ, ะที่นี่ก็จะมี น้ำอาหารที่พักเลงต่างเตรียมไว้พร้อมแล้หละ่ะคือความจำมเป็นต่อการดำรงชีวิตนี้ให้ท่านใช่ใช่แล้วก็ฟรีด้วยใช่ไหมค ะ, ะก็จะไม่เหมือนโรงแรมห้าดาวนะที่ว่า<ช>เขาจะมีรูมเซอร์วิสอะไรต่างๆจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องลำบากถึงขนาดว่าเอาย้ามากินดื่มน้ำที่ฟันจากต้นไม้ไม่เป็นขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่กันอย่างเขาเรียกว่าสมถะก็พอเียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์นั่นแหละพอดี ดิฉันต้องเสริมเลยนะคะเพราะว่าอไปเห็นมากับตาแล้วเป็นวัดที่ใช้คําว่าสัปพายะได้นะคะ ก, ก็ได้เหมือนกันคือความรู้สึกมันไม่เหมือนกับเราอยู่บ้านไม่เหมือนกับเราอยู่ในเมืองรู้สึกว่าแค่เดินเดินเข้าไปในรั้ววัดเนะี่ยรู้สึกโอ้มันร่มเย็น mm hmm. นะคะยิ่งนั่งนานๆรู้สึกเป็นสุขแล้วก็คนแถวๆนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้นิยมปฏิบัติธรรมนะคะดิฉันเห็นใจดีๆทั้งนั้นเลย ก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าในช่วงปรรษาเนี่ยก็จะมีชาวบ้านามาที่วัดในวันพระมานอนวัดคืนหนึ่งสวดมนต์ทำวัดฟังธรรมะนั่งสมาธิเดินจมกรมนี้เป็นประจําในช่วงปรรษาค่ะรู้สึกวิถีชีวิตของคนจํานวนมากทีเดียวที่ผูกพันกับวัดเวลามีงานก็กุลีกุจอช่วยกันและอย่างไม่น่าเชื่อคนหนุ่มคนสาวซึ่งควรจะไปหาที่สําเริงสำราในลักษณะอื่นๆ ก็มากับหลายคนนะคะอืมเดี๋ยวนี้ก็ดีเนาะหนุ่มสาวเข้าวัดใช่ค่ะดีฉันเจอน้องอยู่คนหนึ่ง น, น, นึกเสียชื่อน้องเบนนะที่บอกว่าเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมคะอาฮะอนาคตเป็นสถาป น, นิกเขาก็มาคุยกับเดีฉันทีนก็สงสนใจเขาไว้ผมยาวด้วยหนุ่มผมยาวใช่ค่ะ <laughs> ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบุ ค, คลิกแบบนี้มาเข้าวัดอืมเขาก็บอกบอกว่าเอ่อคือญาติพี่น้องใช่ไหมคะ คุณป้าได้พาคุณแม่เข้าวัดตัวเองคุณพ่อเสียชีวิตก็เสียขวัญกันในครอบครัวก็หาที่ไปมาพบวัดนี่แหละดีแล้วก็เลยนิยมที่จะเลือกที่จะไปวัดมากกว่าจะไปเฮฮาปาร์ตี้แบบเด็กๆ เ, เขา อ, อันนี้เขาเล่าให้ดิฉันฟังเองนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาบอกนะผมก็อยากจะ บอกเพื่อนๆ น, นะว่าทํายังไงถึงจะเข้ามาวัดกันให้มากขึ้น อ, อยากจะหากุณสโลบายเนี่ยคะ่ะเรียกว่ามีความทันสมัยอยู่ที่วัดด้วยสําหรับคนที่ชอบความทันสมัยสําคัญคือมีโรงพยาบาลอันนี้ที่ฉันชอบจริงๆด<อ>หน้าวัดเลยถนนไม่ได้ใหญ่นะคะเดินข้ามนิดหนึ่งถึงโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอะไรคะอเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก็คือสถานีอนมามัยเก่านั่นแหละค่ะ ก็มีมีเขาเรียกว่าพยาบาลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านาตันตกรรมทางด้านนู่นนั่นนี้อยู่ในโรงพยาบาลแบบนี้เขาเรียกว่าหากจะไปพักพิงอยู่ที่นั่นแล้วเผลอๆ อ, อาจจะได้ในสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดว่าท่านจะมีโอกาสมา ก, ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาใครชวนก็ไม่มีเวลาก็คือการได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติถูกไหมคะใช่ใช่แล้วก็ฝึกในการที่จะปล่อยวางทางใจด้วย ทีนี้ว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยคุณยมติวอย่างคนที่เขากว่าเขาจะออกจากบ้านมาได้นะจะมาได้ฟังข่าวๆดูเนี่ยก็จะมีคนแก่คนชราอะไรต่างหรือว่าคนที่มีอายุมากหน่อยเนี่ยคือไม่อยากออกจากบ้านต่อให้มันท่วมแค่ไหนเจ้ก็ยังอยู่นะเฝ้าของวางกันเถอะแล้วก็บางทีลูกหลานเนี่ยบอกให้อพยพแล้วก็ไม่อยากไปอย่างเงี้ย น, น ะ, ะเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่ความห่วงคือถ้าใจเขาละไม่ได้เนี่ยกายเขาอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นของบน นะคือบางทีใจละไม่ได้เนี่ยนะกายเขาเนี่ยจะไม่พาออกจากที่ที่นั่นเลยยังอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเงนี้นะเพราะฉะนั้นคงจะต้องปล่อยวางทางใจให้ได้ระดับหนึ่งปอดกายมาแล้วแล้เราก็มาเสริมเรื่องกำลังใจให้มากขึ้นค่ะพอพูดถึงเรื่องกำลังใจท่านคะดิฉันเองก็ระวังสนทนากับท่านเนี่ยต้องตรวจเช็คข่าวเือเรื่อยๆไปเจอข่าวแล้วคะ่ะก็อบอกว่าโหนคนหนึ่งชี้ ท่วมกรุงเนี่ยไม่น่าห่วงอืระวังสารพัดภัยของจริงหลังสิบหกพฤศจิกายนนี่เหลือไม่กี่วันแล้วนะคะเนี่ย เ, ออเดือนนี้เดือนพฤศจิกาแล้วบอกว่าไฟลมน้ําปะทะเศรษฐกิจพินาศมมันจะยังไงคะเนี่มันก็อันนี้ก็แฟนความไม่แน่นอนเราเคยได้ยินข่าวเรื่องชายคนหนึ่งที่อยู่ทางอเมริกาที่เขาจะากรณะว่าวันโลกแตกวันที่ยี่สบ็ดพฤษภาที่ผ่านมานะแล้วก็เลื่อนมาเป็นวันที่อ่ายี่สิบ หรื อ, อสิบเพฤศจิกาเออสิบตุลาคมที่ผ่านมานี่ก็ยังไม่แตกนําก็แฝงความไม่แน่นอนแต่ที่แน่ๆ น, นะไอ้วันตัดสินชะตาโลกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นบันไหนก็แล้วแต่นะคุณโยมติ๋วแต่วันนี้เนี่ยคือวันตัดสินชะตาชีวิตเรานะถ้าจิตเราอยู่ในแดนลบจิตเราอยู่ในช่วงที่ไม่ดีเนะอยู่มีอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีความคิดอย่างนั้นเกิดขึ้นที่เป็นอกุศลนะคุณเสี่ยงเลยเพราะว่าความตายมันไม่ได้ไกลาจากเราเท่าไหร่ นะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่ตัดสินชะตาชีวิตเราเพราะว่าถ้าเราจิตไม่ดีเราเกิดไปตอนตายไปตอนนี้โอ้โหไปไม่ดีเลยค่ะก็คุณค่ะส่วนใหญ่เวลาที่คนได้พบการพยากรณ์ที่ทำให้เรามนุษย์ธรรมดายังไม่ได้ฝึกปฏิบัติอะไรมไม่รู้ธรรมะอะไรมันเกิดความกลัวเนี่ยมักจะมีคาถามตามมาเลยมีวิธีใดจะทำให้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้น มีวิธีใดถ้าหาเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเราจะพ้นภัยอ๋อมีต้องถามว่าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดมาจากเพราะอะไรครับมันคือความทุกข์ใช่ไหมมันคือความที่จะต้องสูญเสียอะไรไปนั่นก็เพราะว่ามันมีการเกิดพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายอย่างนี้เอาแล้วการเกิดมันเกิดมาจากอะไรทําไมใ ห, ให้มันมีสิ่งนั้นขึ้นมาได้ว่า ม, มีการเกิดใช่ไหมก็มันเกิดมาจากาการที่มีภพนะ ค, คือสถานที่ให้มันเกิด พบเกิดมาจากอะไรผู้ชาก็ไล่ไปเอาพบก็เกิดมาจากการที่มีความยึดถือจึงมีพบไล่ไปอีกความยึดถือเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากการที่มีปัญหาไล่ไปไล่ไปเนี่ยเราจะสาวไปถึงจุดที่เรียกว่าอ๋อเพราะมันมีอวิชชานี่คือเรื่องปฏิจจสมุปาตนะค่ะคือคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า ไอ้ของที่มันมีความแตกไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามีความชิบหายไปเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยขอว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ไม่มี ใ, ใครในโลกนี้นะคุณยมติวจักรวาล น, นี้ไม่ว่าสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆ ใ, ในโลกไม่อาจจะได้คุณไปขอกับเทวดาเทวดาเขาก็ไม่ได้นะคะอคะไอไปขอกับพระองค์ไหนไปขอกับมารบนบานสารกล่าว พวกนั้นเขาก็ไม่ได้นะแล้วเขาไม่ได้แล้วเขาจะให้เราได้ไงนะท่านผู้ฟังกำลังจะปิดวิทยุเลยนะคะว่าพระพิบูลช่วยไม่ได้นี่ช้างแล้ว <c oughs> อัลม า, า, าช่วยไม่ได้จริงๆเพราะอัลมาไม่ได้รู้ทุกเรื่องะนะเพราะฉะนั้นอย่างพิธีการที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยช่วยได้วิธีการที่พระเจ้าสอนไว้ช่วยได้แน่นอนช่วยอย่างไ ร, รอก็คือว่าแก้ที่เหตุเหตุของสิ่งนั้นเหตุที่มันจะต้องแตกไปเสื่อมไปเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการเกิดของมันขึ้นมา เราจะต้องแก้ที่เหตุตรงนี้เนยะเพราะฉะนั้นเราก็มาแก้ที่จิตของเรานะจิตตรงเนี้ยคือจิตที่เราเข้าไปรับรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอยู่มันมีความยึดถือในสิ่งนั้นอยู่ยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วสักครู่นี้อาจจะมีบางคนนะคะฟังเอ๊ะท่านพูดอะไรนะ่ะมีคําหยาบด้วยหรือเปล่ามีคำว่าชีบหายด้วย <c oughs> ขอประทานโทษค่ะอยากจะให้ ท่านอธิบายหน่อยว่าในสิ่งที่ท่านพูดขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรคะอ๋ออันนี้เป็นพุทธภาชนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพระพเจ้าเปเสนธิโกศนตอนนั้นเนี่ยพระพเจ้าเปเสนทิโกศนเนี่ยทราบว่าเขาเรียกอะไมเห็สีของตัวเองอะน ะ, ค, ะคือภรรยาของตัวเองเนี่ยชื่อนางมาริการทวีเนี่ยที่วงคตคือตายตอนนั้นก็บริหารลั่นงานรัชการอยู่พอรู้ว่าภรรยาของตัวเองเสียชีวิตไปเนี่ย คือที่บงโคตไปเนี่ยอุย้ยเศร้าโศกมากเลยคุณโยมติว๋วขณะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับการงานไม่เป็นอันธรทำเ้วก็คนที่เป็นศัตรูเนี่ยเขาก็ดีใจคนที่เป็นมิตรกับพระเจ้าปเสนิโกศลก็เสียใจไปด้วยพระเจ้าก็เลยพูดถึง5อย่างนี้นะว่าเป็นสิ่งที่ใครๆเนี่ยในโลกไม่มีทางได้นะคือขอของที่มันเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าขอจะเสื่อมไปเลยอย่างเช่นผิวหนังของฉันหน้าตาของฉันอย่าเหี่ยวนะมันต้องเหี่ยวแน่นอน หรือว่าขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยว่าอย่าตายเลยคือคุณไปขอต่อต้นไม้ต้นไหนนะให้ผูกได้เอาเหรียญมาขูดจุดทูบเ้าดอก12ดอกบนบานสายกล่าวไม่มีทางได้ขอของที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาขอของที่มีความเสื่อไปเป็นธรรมดาขอของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้นะคะก็เท่ากับว่าช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเนี่ยจะเห็นชัด ตอนนี้ถ้าไม่ชำนาญหรือว่าไม่ชินกับการามีความรู้เกี่ยวกับบทพยัญยชนะของพระพุทธองค์แล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าขณะนี้เนี่ยท่านพบูลได้นำเอาผู้ทวจนะมาตอบสำหรับคำถามที่ดิฉันได้ป้อนๆอ น, อนถามท่านไปนะคะน่าสนใจมากนะคะขอให้ของที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดายอย่าเสื่อมไปเลยคนมาขอนะคะ โอ้อย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าแก่อย่าจนชไอ้ของพวกนี้มีอันไหนที่ดิฉันพูดมาแล้วไม่เสื่อมไหมคะไม่มีนะความจนก็หมดไปได้เอาเอาอย่างหนี้เอาเอาย่งอาย ง, างสมมติคนเป็นหนี้อย่างเงี้ยอาจจะมีความกังวลว่าฉันเป็นหนี้โอ้ยปอคุณตายไปนะหนี้คุณเข้าไปไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สินที่เรามีอาจจะมีเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้า น, น, านพันล้านอย่างเงี้ยนะหนี้นะน <c oughs> คุณก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะอืขอให้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยอืม ก็ไม่ได้และ <Yeah. S 1> เมื่อสักครู่นี้ถ้อยคำที่เป็นประเด็นคือคำว่าฉิดหายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฉีดหายเนี่ยมันไม่ใช่คำหยาบ uh huh. มันเป็นคำหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในพจนานุกรมส แ, แสดงถึงความที่มันพัง mm hmm. ทลาย mm hmm. เสียหายใช่ไหมคะ yeah, แต่ว่าเวลาที่เอามาใช้ผิดที่ผิดเวลา ด้วยเจตนาที่ไม่ถูกต้องอือก็กลายเป็นคําด่าไปได้ออืถึงตายกันได้เลยนะคะเนี่ยแล้วชัเ uh, ดอยู่ตรงนี้คุณยมติว๋วพอพระรูปเจ้าพูดห้าอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ว่าเป็นฐานะที่ใครใคในโลกไม่พึงได้เนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยก็พึงทราบว่าข้อความนี้เนี่ยแม้คนอื่นก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> คนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> คิดอย่างนี้นะพอค <c oughs> ิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็พึงรวบรวมสติ นะสัมปชัญญะแล้วพิจารณาว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ mm hmm. ก็ทำไปแค่นั้นเนองก็ให้อยู่กับปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทำอยู่คืออะไรก็ทำต่อไปนะอย่าเศร้าโศกอย่าเสียใจอย่าร่าให้ให้รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ก็ทำอย่างนั้นต่อไปวังกันเถอะอันนี้เท่ากับท่านกำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องของอย่าไปสนใจ hmm. ที่ใครเขาจะมาพยากรอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็อย่าไปถามว่าช่วยได้ไหมอย่าไปถามว่าพระพุทธเจ้าช่วยได้ไหมพระพุทธเจ้ายังช่วยไม่ได้ใช่ไหมช่วยได้ช่วยได้คุณโยมติ่วคือช่วยให้ให้เราเห็นธรรมะในการปล่อยวางตรงนี้ไงค่ะแต่ว่าไม่ได้ช่วยว่าให้สำเร็จผลว่าของที่ต้องเสื่อมแล้วไม่เสื่อมอ๋ออันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้อันนี้ต้องท่องไว้เลยนะคะคําว่า เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นบทเพียรชนะของพระพุทธองค์ดิฉันชอบมากเลยค่ะใช่ใช่มีปรากฏอยู่หลายที่ไหมคะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยฐานะที่เป็นไปไม่ได้อย่างเช่นว่าความที่ผู้หญิงจะมาเป็นพระพุเจ้าอย่างเงี้ยเป็นฐานะที่เป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้พระพเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์อย่างเงี้ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะค่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้แน่ๆก็คือพระพุทธองค์เนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้ได้อย่างสิ้นเชิงใช่เป็นไปได้เนี่ยคือเราสามารถปล่อยวางได้ ถ้าคุณไม่ได้ทําอนันตรียกรรม5เนี่ยคุณเป็นไปได้แน่ที่จะเป็นอริยบุคคลในชาตินี้นะคะแล้วก็จะไปได้อย่างไรฟังไปเรื่อยๆท่านจะจับได้เองเพล่เพลอาจจะรู้ทางไปโดยเราไม่ต้องสรุปด้วยซ้ําใช่ใ่วันนี้เวลาคือการที่ฟังทำตรงเนี้เราก็เดินตามมรรคแหละถ้าเมื่อไหร่เราเดินตามมรรคอยู่อย่างนี้เราสบายใจได้เลยคุณโยมติวค่ะอย่างน้อยวิชาพวกเนี้ยมันจะอัตโนมัติเหมือนเราเคยเดินไปเหมือนเราอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่ ความรู้ที่เราไม่ได้ใช้วันนี้ท่านคะแต่วันหนึ่งเมื่อมันมีความจําเป็นต้องใช้มันอาจเคาะเอามาจากสมองเราได้ได้ใช no. นะคะวันนี้ mm hmm. ก็นำมาส ก, การขอบพระคุณท่านพระบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอาจรย์พานการและนั่นก็คือพระภิกษุจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะพระภัยบุญอภิปุนโนท่านเป็นผู้อํานวยการหลักสูตรหลีกเร่นตำแหน่งหนึ่งและตอนนี้ช่วง อ, อพยพน้ําท่วมเนี่ยที่วัด ท่านก็คงต้องรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์พักพิงชั่วคราววัดป่าดอนหายโศกสามารถติดต่อไปพักกันได้เลยนะคะอาจจะเปิดในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้หรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์ที่ฉันมีนะคะของคุณสุภาพคุณหมอต้อย0899446471 0899446471อยู่กันแบบสบายๆภายใต้ร่มเงาของ วัดแห่งพระพุทธศาสนานะคะมีอาหารรับประทานมีที่นอนแล้วก็ท่านอาจจะสามารถปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้นี่ก็คือสิ่งที่รายการสัมสนีสนทนานะคะอยากจะมอบให้กับท่านว่าเรามีทางเลือกในชีวิตของมนุษย์เนี่ยคะ่ะดิ๋ฉันเข้าใจว่ามันมีหลายทางเหลือเกินบางคนบอกว่าชีวิตมันมีทางตันแต่ถ้าหากว่าท่านเปิดใจกว้างนิดนึงมันไม่ได้ติดตัน ถึงขนาดที่ไม่มีทางไปและเผลอๆทางใหม่ถ้าท่านเลือกถูกมันอาจจะพาท่านเนี่ยไปสู่หนทางที่ไม่ตันเลยตลอดชีวิตนะคะนั่นก็คือพบกับทางสว่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการหลุดพ้นฟังดูเหมือนยากแต่ว่ามีคนมีโอกาสเป็นไปได้เยอะพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้นะคะมีมากกว่ามากท่านใช้คำนี้ค่ะวันนี้เราก็ลากันไปด้วยการบอกให้ท่านเนี่ยนะคะ สัมผัสพุทธวจนะขอหนังสือมาเลยค่ะ 02-269-00-06 เอาไปอ่านเอาไปท่องกันนะคะพระอาจารย์คือกริชโสดทิพโหรท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงมอบให้วันละ3ท่านวันนี้ลากันไปก่อนค่ะพุทธสวัสดีค่ะ